จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเริ่อมใสายศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมวัฒนะ์เป็นวันฟังธรรมเป็นวันที่ญาติโยมมาร่วมกันบําเพ็ญบุญบารมีเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อน ชีวิตจิตใจให้สามารถดำเนินไปได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตทำให้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องมีความทุกข์ความวุ่นวายใจเพราะบุญบารมีนี้ก็เปรียบเหมือนกับน้ำมันรถยนต์ รถยนต์จะสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายก็ต้องมีน้ำมันไว้อยู่ในถังถ้าขาดน้ำมันแล้วรถยนต์ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนไปไหนได้ชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่มีบุญบารมีชีวิตของเราก็จะต้องลาบาก ยากเย็นเข็นใจเหมือนกับคนที่ไม่มีรถยนต์ถ้าไม่มีน้ำมันที่จะขับเคลื่อนรถยนต์จะไปไหนมาไหนก็ต้องเดินไปฉันใดคนที่ไม่มีบุญบารมีก็เหมือนกับชีวิตที่ไม่มีรถยนต์พาให้ตนเองไปไหนมาไหนได้ได้ด้วยความสุขด้วยความสบายต้องลาบากลำบน ต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ด้วยความทุกยากดังนั้นพุทธศาส น, นิกชนจึงไม่ควรมองข้างบุญบา ร, รมีที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้บำเพ็ญว่าบุญบา ร, รมีนี้แหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราโดยปกติในฐานะเป็นพุทธศาส น, นิกชน เราก็บำเพ็ญบุญบา ร, รมีอยู่ทุกทุกวันอยู่แล้วเช่นถ้าเราใส่บาททุกวันเราก็ได้บำเพ็ญทานบา ร, รมีถ้าเรารักษาศีลห้าไว้เป็นปกติเราก็บำเพ็ญศีลบา ร, รมีแต่ในวันพระซึ่งเป็นวันพิเศษเรามาวัดกันและเรามาบำเพ็ญบุญบา ร, รมีเพิ่มขึ้นอีก คือนอกจากจะถือศีลห้าแล้วยังสมาธานศีลแปศีลอุโบสถเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญเนคข ม, มะบารมีเนคข ม, มะบารมีนี้ก็หมายถึงการสร้างพลังจิตให้ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยความสุขที่เกิดจากการได้สัมผัสการมรถต่างๆ เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผพิภั์การบำเพ็ญเนกขมะบ ร, รมีก็หมายถึงการละเว้นจากการสแสวงหาความสุขจากการมกุณทั้งหลายเช่นถ้าเราเคยถือศีลห้าศีลข้อสามเราก็จะเปลี่ยนเป็นอบรมจรยาคือจะบำเพ็ญพรหมจรรันทร์คือจะไม่มี กิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องทางเพศไม่หาความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์แล้วสินข้อที่หคือการละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็หมายถึงว่าเราจะรับประทานอาหารเพียงเพื่อดูแลรักษาอัตภาพร่างกายให้อยู่ไปได้โดยไม่ เดือดร้อนแต่เราจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานเพียงเที่ยงวันนี้ก็พอเพียงแล้วสำหรับวันวันหนึ่งหรือบางท่านอาจจะสมาทานทุดงขวัตคือรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวในวันหนึ่งคือการรับประทานอาหารนี้ไม่เปิดช่องให้เป็นการแสวงหาความสุข ทางการมารดการมารดเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัะไม่ยอมหาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเพียงเพื่อที่จะเยียวยาดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่หิวก็พอแล้วการรับประทานอาหารจริงๆแล้วรับประทานเพียงมื้อเดียวหรือสองมื้อคือ ก็พอเพียงแล้วคือไม่ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วนี่ก็คือการออกจากกวามสุขคือไม่แสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผพระศิ่ข้อเจ็ดก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับการละเว้นจากการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพระ คือเราจะละเว้นจากการดูหนังฟังเพลงละเว้นจากการออกไปเที่ยวเตรย่ยกินาหาความสุขจากการดูการฟังสิ่งต่างๆแล้วก็ละเว้นจากการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอภรรท์ที่สีฉูดฉาดหรือแต่งหน้าแต่งตาทาปากใช้น้ำหอมเพื่อเป็นการให้ความสุขกับ จิตใจเหล่านี้ทางศาสนาพุทธถือว่าเป็นความสุขที่จอมปลอมไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งภายนอกถ้าขาดสิ่งนี้แล้วก็จะเกิดความทุกเกิดความเศร้าหมองตามมาให้หาความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากการทำจิตใจให้สงบ ส่วนศินข้อที่8ดก็คือการละเว้นจากการนอนบนที่นอนที่ที่ใหญ่โตที่มีฟูกหนาให้นอนหลับอย่างสุขอย่างสบายคือการนอนหลับของผู้ที่แสวงหาความสุขที่แท้จริงนั้นจะนอนหลับเพื่อพักผ่อนร่างกายไม่จําเป็นที่จะต้องมีความสุขจากการหลับนอน ขอให้เวลาหลังถึงพื้นให้หลับตาแล้วไปนอนหลับก็ใช้ได้นอนบนพื้นธรรมดาเช่นบนเสือ่อบนพื้นไม้ธรรมดาอย่างนี้ก็พอเพียงไม่จําเป็นที่จะต้องมีฟูกหนาๆไว้นอนเพราะถ้ามีฟูกหนาก็จะนอนยาวนอนมากเกินความจําเป็นตานปกติร่างกายถ้าได้พักสักสีชั่วโมงก็จะพอเพียงแล้ว แต่ถ้ามีฟื้นหนาๆก็จะขอต่อไปอีกพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังไม่อยากจะลุกก็จะนอนต่อไปอีกทำให้เสียเวลาชีวิตของเรามีเวลาน้อยมากวันๆหนึ่งเวลามันก็ค่อยๆหมดไปหมดไปถ้าเรามัวเอาแต่ใช้เวลาเหล่านี้มาอยู่กับการกินการนอนการแสวงหาความสุขในทางโลกิยะนั้น มันก็จะไม่ช่วยทางด้านจิตใจของเราเพราะจิตใจของเรานั้นยังต้องผเผชิญกับภัยต่างๆที่รออยู่ข้างหน้าเช่นภัยที่เกิดจากความแก่ภัยที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยภัยที่เกิดจากการตายภัยที่เกิดจากการพลาดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลาย ถ้าเราไม่สะสมบุญบา ร, รมีเช่นเนคขมะบา ร, รมีคือความสงบสุขของจิตใจแล้วเวลาที่เราต้องเผชิญกับภัยต่างๆเหล่านี้จิตใจของเราจะขาดที่พึ่งจิตใจของเราจะมีแต่ความว้าหุ่นขุน ม, มัวแต่ถ้าเราได้เสริมได้บำเพ็ญเนคขมะบา ร, รมีคือ แสวงหาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบด้วยการสลัดสิ่งต่างๆที่จิตใจไปหลงไปยึดไปติดอยู่ความสุขต่างๆภายนอกทั้งหลายนั้นอย่าไปหลงยึดติดอยู่เพราะไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งร่างกายนี้จะไม่สามารถแสวงหาความสุขเหล่านั้นได้ เช่นถ้าเกิดต่อไปเราแก่ลงตาเราก็มืดมัวจะดูหนังก็ดูไม่รู้เรื่องหูก็หนวกฟังก็ไม่รู้เรื่องถ้ายัางอยากหาความสุขจากรูปเสียงอยู่ก็จะต้องมีความทุกข์อย่างแน่นอนเพราะไม่สามารถหาความสุขแบบนั้นได้อีกต่อไปแต่ถ้าเราเคยฝึกหัดปาเพ็รเนกขมะบ ร, รมีคือวันพระเดิมเราก็ มาถือศีลแปดกันมาตัดความสุขทางโลกเสียอย่าไปสนใจกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะดูหนังฟังเพลงร้องร้องลาทำเพลงอย่างนี้เราอย่าไปหาอย่าไปแสวงอยากไปต้องการสักวันหนึ่งหันมาทำจิตใจของเราให้สงบด้วยการทำจิตให้สงบด้วยการไหว้พระสวดมนต์ ดอนั่งสมาธิกำหนดจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นเครื่องขกจิตจะเป็นการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปพาในใจอยู่ไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ได้เวลาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ให้รู้ลมต่างความเป็นจริงของเขา ไม่ต้องไปบังคับลมให้หายใจยาวหรือหายใจสั้นให้ลมหยาบหรือลมละเอียดลมเป็นอย่างไรก็ให้รู้ตามการเป็นจริงของลมเราใช้ลมเป็นเครื่องผูกจิตคือไม่ให้จิตไปคิดเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าไปคิดแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากอยากจะไปดูนั่นอยากจะไปฟังนี่อยากจะไปรับประทา น, ส, งงนสิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็จะทำให้ไม่สามารถตั้งอยู่ในความสงบได้แต่ถ้าจิตของเราอยู่กับการสวดมนต์อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธหรืออยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกบังคับไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆจิตก็จะค่อยๆสงบลงสงบลงจนในที่สุดจะรวมลงเป็นหนึ่งตั้งมั่นอยู่ในความสงบในขณะนั้นจิตจะไม่ มีความคิดอยากกับสิ่งต่างๆเลยเพราะมีความสุขอยู่ภายในตนเองนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีอยู่กับตัวเราแท้ๆเป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยการบำเพ็ญเนขมะบารมีเราจึงไม่ควรมองข้ามการเข้าวัดเพื่อมา บำเพ็ญปฏิบัติธรรมเพราะเป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับเราเป็นการสร้างสมาทิฏที่แท้จริงให้กับเราถ้าเราสามารถเข้าเข้าสมาธิได้ตามที่เราต้องการแล้วต่อไปเวลาที่ร่างกายของเราไม่สามารถที่จะไปแสวงหาความสุขภายนอกหรือเราไม่มีปัญญาขัดทุนทรัพย์ที่จะ ไปหาความสุขจากภายนอกเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าอยู่ภายในใจของเราแล้วคือความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตนี่แหละพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าสุขอื่นใดในโลกนี้ไม่มีความสุขอันใดจะเสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตต่อให้เราได้ไปเที่ยวรอบโลก ต่อให้เราได้แต่งงานกับคนที่เรารักที่เราชอบต่อให้เราได้ตำแหน่งสูงขนาดไหนต่อให้เรามีความร่ำรวยขนาดไหนความสุขเหล่านี้ก็สู้กับความสุขที่เกิดจากการทำจิตของเราให้สงบไม่ได้เพราะความสุขนี้เป็นความสุขที่ถาวร อ, อยู่กับเราไปตลอดไม่มีใครสามารถมาแย่งจากเราไปได้ และเป็นความสุขชนิดเดียวที่สร้างความอิ่มความพอให้กับเราความสุขอย่างอื่นต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรก็ยังมีความรู้สึกต้องการเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นเศรษฐีก็อยากจะเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีก็อยากจะเป็นไปนานๆอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ได้ประดับความอยากความต้องการของใจ แต่เวลาที่เราทำจิตของเราให้สงบได้แล้วความอยากต่างๆนั้นมันจะถูกลงับดับไปมันไม่คิดอยากจะได้อะไรเพราะความสุขอยู่ในใจมันพอเพียงมันอิ่มเหมือนกับคนที่รับประทานอาหารอิ่มเต็มที่แล้วต่อให้ใครยกอาหารวิเศษเลิศโลเลิศโลกขนาดไหนมาตั้งไว้ข้างหน้าก็ไม่มีความอยากที่จะรับประทาน นี่แหละคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีใครสามารถที่จะมาแย่งจากเราไปได้ความสุขภายนอกคนอื่นเขาแย่งก็ได้สามีภรร ย, ยาอาจจะถูกคนอื่นเขาชิงแย่งไปก็ได้ทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของอาจจะถูกเขาขโมยไปก็ได้หรืออาจจะถูกไฟไหม้ไปก็ได้หรืออาจจะถูกรัฐบาลยึดไปก็ได้ เพราะของเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองคือเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเป็นทุกข์ถ้าเราไปหลงยึดติดกับสมบัติต่างๆเหล่านี้เพราะเวลาที่จะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้พัดผ่าจากสิ่งเหล่านี้ไปก็จะต้องทําให้เกิดความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง บางคนบางท่านถึงกับไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปได้เป็นปกติบางคนก็กลายเป็นคนบ้าไปก็มีบางคนก็ทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องถึงกับกระโดดตึกฆ่าตัวตายไปก็มีก็เพราะว่าจิตใจไปหลงยึดติดอยู่กับโลกิยะสมบัติทั้งหลายนั่นเองจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวว่าตอนเองนั้นกำลัง สร้างปัญหาให้กับตนเพราะสิ่งที่ตนไปยึดติดนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะมาจะไปอย่างไรเมื่อไหร่เราไม่รู้เราไปห้ามเขาไม่ได้เพราะเราไม่เคยสนใจกับการสร้างความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวของเราด้วยการบำเพ็ญเนกขมะบรมีอย่างที่ท่านทั้งหลายมาที่วัดในวันพระ มาบำเพ็ญกันมาถือสิงหแปดกันมาบำเพ็ญ <c oughs> การประพฤติปฏิบัติละเว้นจากการเสพกามคุณทั้งหลาย <c oughs> ถ้าเราทำไปได้เรื่อยๆแล้วต่อไปเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกไปแสวงหาความสุขภายนอกเลยอย่างพระหรือนัก บ, บวชทั้งหลายนั้นท่านก็บำเพ็ญเนขมะบารเม อย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเวลาจึงทำให้ท่านไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกไปนอกวัดไปอยู่ในบ้านในเมืองเหมือนกับญาติโยมทั้งหลายอยู่กันท่านอยู่บำเพ็ญในป่าท่านก็มีความสุขท่านไม่ต้องมีรูปสิยงกลิ่นรสโอ ธ, ธภะธต่างๆดังที่พวกเราทั้งหลายมีกันท่านกลับมีความสุขมากกว่าเสียอีก เพราะมันเป็นความสุขที่มั่นคงนั่นเองเวลาเรารู้สึกว่าเรามีอะไรที่มั่นคงที่เราพึ่งได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเจ็บจะไข้หรือไม่จะแกะ่จะเป็นจะตายหรือไม่เราก็ยังสามารถพึ่งความสุขกั น, นได้อยู่เพราะความสุขนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายนั่นเอง ร่างกายจะเป็นอย่างไรหรือสมบัติต่างๆภายนอกจะเป็นอย่างไรจะไม่สามารถมากระทบมาทำลายความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติเนคขมะบารมีนี้ได้เลยเราจึงควรที่จะให้ความสนใจกับการบำเพ็ญบารมีชนิดนี้เพราะเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของเราเรียกว่าอริยทรัพย์ โลกียทรั์ต่างๆที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสมบัติเข้าของเงินทองหรือบุคคลบริษัทบริวารต่างๆเหล่านั้นยุ่นไม่ใช่เป็นทรัพย์ที่แท้จริงของเราเป็นสมบัติปัดกันชมทรัพวันหนึ่งเราก็ต้องจากเราก็ต้องทิ้งสมบัติเหล่านั้นไปหรือไม่เช่นนั้นเขาก็ทิ้งเราไปก่อนแต่การพัดพากจากสมบัติเหล่านี้ต้องเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเราทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้เราก็ไม่ได้ขนสมบัติอะไรติดตัวเรามาเวลาเราตายไปเราก็ไม่ได้ขนสมบัติอะไรติดตัวเราไปด้วยสมบัติที่เราจะขนไปได้ก็มีโลกุตระสมบัติหรือเรียกว่าบุญบารมีกับบาปกรรมเท่านั้นเองที่จะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไป ถ้ามีบุญบารมีติดตัวเราไปเราก็จะมีที่พึ่งมีสาระ ม, มีมีสิ่งที่จะดูแลรักษาให้เรามีแต่ความสุขความเจริญถ้าเราทาแต่บาปตะก ร, รมมีบาปกรรมตามไปเราก็จะมีแต่ภัยต่างๆตามมาสร้างแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนไม่รู้จักจบจากสิ้น ดังนั้นชีวิตของเราที่แท้จริงที่เราเกิดมานี้ก็เพื่อที่จะบำเพ็ญอริยทรัพย์นั่นเองคือบุญบารมีแล้วก็ละเว้นจากการสร้างบาปสร้างกรรมนี่แหละคืองานที่แท้จริงของเราหน้าที่ที่แท้จริงของเราไม่ใช่แสวงหาความสุขกับโลกิยทรัพย์ทั้งหลาย เพราะว่าโลกิยาทรัพย์นั้นเป็นของแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเพียงแค่ชั่วอายุไขของเราเท่านั้นเมื่อเราตายไปเราไปเกิดใหม่เราก็ต้องไปสแสวงหาใหม่ยังหิวยังอยากอยู่แต่ถ้าเราสะสมอริยทรัพย์ไปเรื่อยๆคือบุญบารมีมันจะสร้างความสงบสร้างความสุขให้กับจิตใจ ทำให้ทุกภบทุกชาติที่เราไปเกิดนั้นมีความหิวมีความอยากน้อยลงไปน้อยลงไปไม่ต้องไปดิ้นรนข ว, ขวนขววายหาโลกียศทรัพย์ต่างๆเพราะรู้แล้วว่าทรัพย์ที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในใจคืออริยทรัพย์นี้เท่านั้นจึงจะขวนขวายสร้างแต่อริยทรัพย์เกิดมากี่พบกี่ชาติก็จะบงเพ็ญแต่บุญบรารมี เช่นทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีรวมไปถึงปัญญาบารมีคือความรู้ที่จะทำให้เราดุดพ้นจากความหลงผิดจากความยึดติดอยู่กับกองทุกข์ทั้งหลายนั่นเองถ้าเราเจริญปัญญาบารมีด้วยการฟังเทศฟังธรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างที่เราทั้งหล า, ายมาบำเพ็ญกันในวันนี้เรากําลังบำเพ็ญปัญญาบารมีคือความรู้ความเห็นที่ถูกต้องว่าเราควรจะบำเพ็ญชีวิตของเราอย่างไรเพื่อที่จะสร้างความสุขและความเจริญที่แท้จริงให้กับเราเราทราบแล้วว่าเราต้องบำเพ็ญศีลบารมีทานบารมีเนคขมะบารมี hmm. เพราะ เมื่อมีบารมีเหล่านี้แล้วจิตใจของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขสามารถอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้คนที่ขาดบารมีเหล่านี้เวลาต้องประสบกับภัยต่างๆเช่นความแก่ความเจ็บความตายจะมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจไม่รู้จะทําอย่างไร แต่คนที่ได้บำเพ็ญบรารมีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาบรารมีคือการเจริญมรณานุสติอยู่เสมอจเจริญว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากโลกนี้ไปด้วยกันทั้งนั้นเมื่อรู้ว่าจะต้องตายก็บำเพ็ญบรารมีเช่นเนคขัมมะรบารมีทำจิตใจให้สงบเพื่อที่จะรับกับสภาพเวลาที่จะต้อง จากร่างกายนี้ไปสภาพที่จะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปพราขณะที่จิตมีความสงบนั้นจิตปล่อยวางหมดอะไรจะอยู่อะไรจะไปไม่สนใจในขณะนั้นจิตมีความสบายเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในห้องที่ปลอดภัยถึงแม้ว่าภายนอกจะมีระเบิดมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่สามารถ ที่จะทะลุทะลวงเข้าไปในห้องที่เราอยู่ได้ในห้องของเราที่เราอยู่นั้นเราจะปลอดภัยจากภัยทั้งหลายความสงบของจิตก็เป็นแบบนั้นถ้าเราเข้าถึงความสงบได้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราอะไรจะเกิดขึ้นกับสมบัติของเราหรืออะไรที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักต่างความ ทุกต่างๆจะไม่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปในจิตใจที่สงบนั้นได้เลยเพราะจิตนั้นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราไม่มีอะไรที่เราจะสามารถไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เราได้มานี้ ล้วนเป็นสมบัติของธรรมชาติทั้งสิ้นธรรมชาติให้เรามาแล้วสักวันหนึ่งธรรมชาติก็จะต้องเอาคืนไปแต่เราถ้ามีปัญญาเราจเจริญมรณานุสติอยู่เสมอว่าชีวิตของเรานี้ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของธรรมชาติเขาให้ยืมมาใช้เราก็มาใช้ให้มันเกิดคุณเกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับเราด้วยการบำเพ็ญบุญบารมีนี้เอง เพราะเมื่อเราบำเพ็ญบุญบรารมีแล้วเราจะได้สมบัติที่แท้จริงคืออริยทรัพย์อริยสมบัติที่จะดูแลรักษาจิตใจของเราให้อยู่ได้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอริยจิตใจที่มีอริยทรัพย์คุ้มครองอยู่จะมีแต่ความสมบงบร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละคือปัญญาบรารมี เราต้องเจริญอยู่เสมออย่ามองข้ามอย่าไปกลัวความตายเพราะความตายกลัวมันก็ต้องตายอยู่ดีไม่กลัวก็ต้องตายอยู่ดีแต่ถ้าเราเจริญบรณานุสติอยู่เสมอจะทําให้เราไม่หลงไม่ลืมจะทําให้เราไม่ประมาทเรารู้แล้วว่าชีวิตของเรานี้เป็นเป็นชีวิตที่มีขอบมีเขตมันไม่ใช่เป็นชีวิตที่อยู่ไปได้ตลอดเวลา เราก็เตรียมตัวเตรียมใจด้วยการสร้างบุญบารมีต่างๆไว้เพื่อที่จะมารองรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาจิตใจก็จะไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวจิตใจจะไม่ระส่ำระสายไม่ทุกข์ไม่กลัวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจแล้วใจเราจะไม่หวั่นไหวเหมือนกับเรารู้ว่าถ้าวันนี้จะมีพายุเข้ามามีฝนตกถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมที่จะรับกับพายุนั้นเวลาเกิดพายุขึ้นมาเกิดฝนขึ้นมาเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเราเตรียมพร้อมไ้แล้วบ้านช่องเราก็ปิดหน้าตา่างเราก็มีอาหงอาหาร เตรียมไว้ในบ้านไว้เพื่อรับประทานเราก็ไม่ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปหาอะไรภายนอกเพราะฉะนั้นเวลามีฝนฟ้ามีพายุมาเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวและเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนเวลาเกิดฝนฟ้าเกิดพายุเกิดขึ้นมาเรากละาเรากำลังทิ่อยากจะออกไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งภายนอกเราก็จะต้องเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา เพราะไม่สามารถทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำได้นั่นเองเรื่องของใจนี้เป็นเรื่องที่แปลกถ้าใจรู้แล้วเตรียมตัวรับไว้ก่อนแล้วใจจะไม่ทุกข์แต่ถ้าใจไม่รู้แล้วไม่ได้เตรียมตัวไว้เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วจะต้องหวั่นไหวจะต้องทุกข์จะต้องวุ่นวายโดยที่ไม่ไม่จำเป็นเลยเพราะแม้ว่าเรื่องราวอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนั้น ความจริงแล้วจิตใจก็ไม่ได้ไม่เสียกับเรื่องราวต่างๆเพียงแต่พ่อใจมีความหลงไปยึดไปติดกับเรื่องราวต่างๆสิ่งของต่างๆว่าเป็นของของตนว่าเป็นของของเราและเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องทำให้สูญเสียสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปก็เกิดความว่าวุ่นขุ่นมัวเกิดความทุกข์เกิดความรลำรสายขึ้นมา แต่ถ้าได้เจริญปัญญาอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาในโลกนี้ล้วนไม่ใช่เป็นสมบัติของเราที่แท้จริงเป็นของธรรมชาติธรรมชาติให้เรายืมมาใช้แล้วก็ใช้มันไปให้เกิดประโยชน์เพื่อบำเพ็ญบุญบา ร, รมีและเมื่อถึงเวลาที่ธรรมชาติเขาจะมาขอเอาคืนไปเราก็พร้อมที่จะคืนให้เขาไปเท่านั้นเองจิตใจก็จะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจ ไม่มีความวุ่นวายใจเลยจิตก็ตั้งอยู่ในความสงบจิตก็ยังมีความสุขอยู่ทั้งทั้งที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแม้กระทั่งชีวิตก็ตายเพราะนี่คือเรื่องของความจริงของชีวิตเราเรื่องของจิตกับเรื่องของร่างกายจิตเป็นของไม่ตายถ้าจิตมีที่พึ่งมีความสงบแล้วจิตปล่อยวางได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีสมบัติเข้าของต่างๆก็ดีจิตจะไม่เสีย อ, อกเสียใจยามที่จะต้องพัดผ้าจากสิ่งเหล่านั้นไปเพราะจิตรู้ว่าจิตนั้นอยู่ได้ต่อไปมีความสุขได้โดยปราศจากสิ่งต่างๆในโลกนี้นี่เป็นเรื่องของการพุญมำเพ็ญบุญบารมีที่เราสามารถทํากันได้ เราสามารถสร้างพลังสร้างที่พึ่งที่แท้จริงให้กับจิตของเราได้แล้วเมื่อเราต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆที่จะตามมาต่อไปไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายความการพอาทจากของรักทั้งหลายทั้งปวงจิตใจของเราจะไม่หวั่นไหวจิตใจของเราจะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจเพราะเรารู้ว่า เป็นเรื่องที่เราจะต้องเผชิญนั่นเองอเมื่อเราพร้อมที่เผชิญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านไปหมดไป